หนทางแห่งความสวยต้องทำความสะอาดไปที่ไหนวัดวาศาสานาที่ไหนสกรปรกห้องน้าห้องถาเข้าไปต้องทำความสะอาดอปัดกวาดเช็ดถูอะไรอะไรพอที่จะช่วยได้นั่นแหละ เ, เป็นหนทางแห่งความสวยงามเป็นประตูแห่งความสวยงามถ้าพวกผู้ใดไปทำอะไรไมิแต่ทสกรปรกลกลุงลงังแล้วก็ขี้โกรธอีกต่างหากมัน ไ, ไม่ดีนะั่นะนะไม่สวยว่างั้นะ อผู้ที่สวยเนี่ยต้องเนี่ยปฏิบัติการทำความสะอาดอดูแลพ่อแม่อท่านและก็พร้อมกันเป็นคนใจดีอย่าไปใช้อารมณ์ะถึงจะใช้อารมณ์ก็ใช้แบบมีเหตุผลเหมือนันเถอะแต่คนไม่มีอารมณ์เฉยชาเกินไปก็ไม่ดีเอแต่กาต้องใช้ก็ต้องใช้ด้วยเหตุผลอืถ้าคนมีเหตุมีผลแล้วก็นั่นละ่ะ อย่างที่หลวงพ่อพูดในเอ็มพสามนั่นนะเขาระลึกชาติได้เขาเขาพูดว่าสมัยก่อนเขาเป็นเสียจริตคนเป็นบ้าเขาว่างนันคือคนไม่เต็มเต็ง เ, เขารู้เ่าเข า, เขาไม่เต็มเต็งในชาติที่แล้วเนะี่ยเขาใช้มาทํางานวัดเนี่ยเขาใช้ให้เรานะทำหมดล้างถ้วยล้างชามล้างห้องนอง้ําห้องถ่ายเป็นคนขยันเหมือนกันแอ่แต่ไม่เต็มเต็งแต่เป็นคนขยันพอเกิดมาชาติที้เขาระลึกชาติได้ นีชาติที่แล้วก็เป็นนะแต่ชาตินี้โอ้โหเอไปที่ไหนนะรู้สึกว่าเป็นคนสวยงามในตําบลเลไรย่างเงี้นเถอะในในในสมัยอยู่บ้านนอก เ, เป็นคนงามในตําบลเลยเรื่องลือกันไปหมดว่าเขาเป็นคนสวยงามในคนหนึ่งต่อมาเขาก็ได้แต่งงานกับคนมีฐานะเป็นอาเซียอีกทีพอเป็นอาเสียเสร็จแล้วเขาจากระลึกชาติได้หรือว่า ชาติที่แล้วเนี่ยเออเขาเป็นคนไม่เต็มเต็งแต่เขาได้ทําบุญทุกวันนี้เขาไปวัดไปวาที่ไหนคนอื่นเข้ามาสลงสระนี่นู่นเขาตรวจเข้าห้องน้ําเละล้างห้องน้ําห้องส้วมจะพตะเภยเออคนท่านไหนก็แปลกใจเอ้าทำใยญ่ทาไมยายเออทั้งที่คน อ, อมีฐานะ อ, อสูงส่งเ อ, อในชุมชนสังคมเขาแต่ทําไม ยายทำอย่างนี้ก็ว่านี่แหละที่ที่ยายอที่เราได้มาอยู่ในสถานะเดี๋ยวนี้ก็เพราะเนี่ยอการทําความสะอาดอวัดวาศาสานาครูบาอาจารย์นี่แหละคนที่ชอบทําความสะอาดเป็นประตูไปสู่ความสวยงามเขาพูดอันนี้เขาพูดนะเพราะฉะนั้นพวกเราอยากจะสวยงามอยากขี้โกรธส่วนหนึ่งนะ แล้วก็พร้อมกันก็ทาความสะอาดปัดกวาดแต่นในหลักของพุทธศาสนาท่านว่าให้ถวายพวกอาพรด้วยนะพวกผ้าด้วยพวกผ้าอาพรด้วยแล้วก็จะเป็นคนเจ้าอารมณ์โกรธท่านบอกว่าถ้าคนมีอารมณ์โกรธเป็นอา จ, จินใจของเขาจะเศร้าหมองอยู่บ่อย เกิดมาพบหน้าชาติหน้าผิวพันธุ์ก็ไม่สดใสแต่ตามไม่จริงกับอย่างวัดจริงๆนะให้คนขี้โกรธ ถ, ถ้าเวลาเราโกรธ ถ, ถ้าเราวิ่งไปดูกระจกกันแล้วกันนะเราเป็นยังไงเออเหมือนกับวัดอะไรวัดยักษ์วัดท่าเตียนอนะไรแบั้นแนะเคยไปไหมเคยเห็นไหมท่าเตียนฮเอเอนี่ย น, นะเหมือนกับยักษ์วัดท่าเตียนันะ ถ, ถ้าใครโกรธแล้ววิ่งก็ไปดูกระจกนะเพราะนั้นนะ่ะ อย่าไปโกรธเพางั้นโกรธก็มีเหตุผลที่จะโกรธหลวงปู่มั่นท่านบอกเลยท่านบอกว่าความกโกรธเนี่ยถ้าใช้ให้เป็นก็เป็นประโยชน์นะถ้าให้ใช้ไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษกับตนเองเหมือนกับมีดเออพี่เหมือนแต่ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เกิดประโยชน์แต่ใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษตัดแข้งตัดขาตัวเองหลวงปู่มั่นอธิบายท่านบอกวันนี้นะสมมติว่าเนว พวกเพื่อนเนื้อพระเนี่ยทำไม่ถูกเลยเราจะไปพูดแบบ ล, ลอยๆไม่ได้จะพูดแบบ ล, ลอยๆธรรมดานะไม่ได้มันไม่ถึงใจมันไม่มันไม่มีกฎเกณฑ์ท่านบอกว่าต้องขึงขังเลยเพราะงนต้องต้องออกท่าทางต้องชี้นี้วยาทำอย่างนี้น้ำไม่ได้นะำทำอย่างนี้ได้ยังไง เหมือนกอ้โหเอาจริงเอาจอานเหมือนกันแต่โอ้คนที่ถูกดูที่ถูกดูหลปู่มั่นดูยกมือได้ยอม <c oughs> อขนาดขนาดหลวงปู่มั่นมรรณภาพไปแล้วนานเท่านานนะจะกล่าวถึงหลวงปู่มั่นยังประนมมือซะก่อนมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มัน <c oughs> ่นเพราะว่าเขตดขยาดอย่างจุดๆเลยหลังยกหลวงปู่เจ๊ใช่ไหยละ่ะ หลวงปู่แจียหลวงตามหาบัวหลวงปู่ลาโอ้โหปีเจ้าอารมณ์โมโหทั้งหมดเทกันแตะหลวงปู่เจี๊ยเนี่ยพูดโอ้โหแต่พอพูดถึงหลวงปู่มั่นเนี่ยยกปนมมือซะก่อนพ่อแม่กูบาอาจารย์มั่นโอ้สแสดงว่าถึงใจสุดๆเท่ากันแต่แต่หลวงปู่ลาบุ๊คโฮหลวงปู่มั่นเนี่ยดุจริงๆเท่ากันทําท่าทางขืนขาคล้ายๆกับไเหมือนกันบฮานุมานย้อนขาอย่างนั้นเลย เออนั่นแหละสินั่นเราคนคิดว่าอย่างนั้นแต่ท่านทกท่านบอกว่าถ้าไม่โกรธไม่ได้ถ้าไม่ไ ม, ไไ ม, ไม่ไม่ทำอย่างจริงจังขึงขังไม่ได้มันมันหละอแหละไปหมดต้องใช้อาการต้องใช้อาการของความโกรธจึงจะสั่งสอนคนได้นั่นหลวงปู่มั่นท่านท่านว่าอย่างนั้นแต่บางคนก็ใช้โกรธก็ใช้จริงๆริะจนเสียตัวเองฮะ บางเผื่อๆอย่างเช่นเลือดแตกในสมองอีกต่างหากเพราะงั้นมันโกรธมากเกินไปเนี่หนังสือเอ็มพีสามของหลวงพ่อหลวงพ่อแจกเขาเขาย่อออกมาจากข้างในเขาบอกว่าท่านเขียนว่าต้องคิดไว้เป็นภาษาใจของตนเองคิดไว้เป็นภาษาใจนะต้องคิดไว้เป็นภาษาภาษาใจของตนเอง ถึงข้าไปเจ้าจะรับผิดชอบขนาดไหนจะพอใจไม่พอใจขนาดไหนจะรักขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งข้าไปเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดอันนี้คือภาษาใจนะถึงข้าไปเจ้าจะรับผิดชอบขนาดไหนจะทำความดีขนาดไหนในหน้าที่การงานทุกอย่างแต่อีกสักวันหนึ่งข้าไปเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมด ไม่ว่าจะรักขนาดไหนจะเกลียดขนาดไหนจะพอใจไม่พอใจขนาดไหนข้าพเจ้าจะต้องจะต้องตายจะต้องนิจจากเขาอีกสักวันหนึ่งทำไมจึงให้คิดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นเวลาเราโกรธให้แกใครเรารักใครสิ่งที่พัดภากจากไปเราโกรธให้แกใครไม่พอใจเรื่องอะไรก็ตามอุณหภูมิในใจมันมันสูงเกินไปเออมัน เวล า, าก โ, โกรธโกรธมากเหมือนกันนี่ยเวลารักใครก็รักจนเสียใจจนตัวเองจนจะเสียศูนย์เหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าเรามาื่คิดไว้ในะเป็นภาษาใจของตนเองนั้นมันจะมันรู้จักไม่รู้จักรักไปอะไรมากมายนักหนาไม่รู้จักโกรธไปอะไรมากมากมายนักหนาเพราะอีกสักวันหนึ่งเราก็จะหนีจากเขาเขาจะหนีจากเราอยู่แล้วเอใช่ไหมถามใจตัวเองใช่ไหมไม่ต้องถามคนอื่นเดี๋ยวถามคนอื่นเดี๋ยวเขาจะว่า แล้วจะว่าให้เราต้องถามใจตัวถามอะไรถามใจเราเองมันใช่ไหมใจถ้าทุกคนคิดได้อย่างนั้นหลวงพ่อว่านี่แหละความพอดีแล้วความอารมโมโหโทโสโกโรธาเนี่ยก็จะก็จะดีแต่ในหนังสือเรื่อนั้นหลวงพอ่อตอบปัญหากับพระฝรั ง, งพระฝรังถามว่าผมเป็นเมรัสี ถ้าไปหาหมอมีทั้งหมอหญิงหมอชายต่อมาอาการหนักโรคผมหนักขึ้นคือผมเป็นวรซีเนี่ยต่อไปตับจะแข็งต่อไปจะกลายเป็นมะเร็งตับเอเมื่อเป็นผมเป็นมะเร็งตับผมไปหาหมอมีทั้งหมอหญิงหมอชายพออาการผมหนักขึ้นผมไปนอนโรงพยาบาลมีทั้งพยาบาลหญิงชายแต่โดยมากจะมีพยาบาลหญิงมากกว่าที่มาอยู่ในโรงพยาบาล ในเมื่อพยาบาลหญิงเข้ามาผมเป็นพระเนี่ยเขาก็ต้องเปื้องผ้าผมเขาก็มาเช็ดร่างกายให้แกผมผมก็บอกผมเป็นพระผมเป็นพระแต่ผมช่วยตนเองไม่ได้เนี่ยเพราะผมป่วยหนักถ้าหาว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะท่านอาจารย์จะมีจะมีความเห็นอย่างไรจะรักษาขนาดไหนจึงจะพอเหมาะในฐานะเราเป็นพระจะรักษาจนตายในโรงพยาบาลหรือว่าเราจะรักษาขนาดไหนเอ่ยจึงจะเหมาะ พระฝรังถามอ อ, อันนี้ก็เป็นแนวความคิดเหมือนกันที่สรุปแล้วก็คือให้วางแผนตัวเองเอหลวงพ่อก็เลยตอบในเอ็มนั่นแนหะหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างผมนะยกตัวอย่างแล้วกันถ้าเป็นอย่างผมเนะี่ผมจะรักษารักษาไปพอจะช่วยตนเองไม่ได้ผมจะบอกกับหมู่พเพื่อนไอ้หมู่พเพื่อนนะผมเนี่ยตายแน่แล้วข่าวนี้เป็นมะเร็งละ่ะมะเร็งตับเนะี่ยไม่นานหรอะถึงยังไงผมจะออกมา ผมขอไปรักษาตามอาการเพราะมันมันเนึก ม, มันทุรนทุรายมากเกินไปทําไมรักษากับหมอมันเจ็บปวดเกินไปผมจะรักษากับหมอพอรักษาแล้วผมดูแล้วผมไม่ไหวนะผมจะกลับมาวัดนะให้พวกหมูช่วยดูผมหน่อยนะพอถึงพอถึงข่าวผมตายแล้วกัจัดการเลยล่ะ <c oughs> เราก็จะวางแผนอย่างนั้นเพื่อนนี่แหละผมพ่อก็บอกแต่นี้เขาก็ถามว่าถ้าหว่าผมป่วยนะ่ะ ผมจะตายใจผมจะขาดใจผมออกจะออกจออกอากร่างจะพอวนาอะไรจะทำใจยังไงจะกำหนดอะไรจะพิจารณาอะไรในจุดนั้นจึงจะถูกต้อง อ, อ, อันนี้ก็เอออันนี้มันต้องมันต้องศึกษามาแต่เนินเน่นๆเหมือนกันนะาไม่ใช่ปุบปับขึ้นไปแล้วจะคิดเอาใกล้ๆแถบนั้นมันไม่ได้นะเออ การคิดเอาใกล้ๆแถวนั่นกน็ลงหน้าลืมหลังไปทั่วแล้วนช่ไหมนะ เ, เหมือนกับเราไม่เคยฝึกจับอาวุธจะเลยใช่ไหมแต่นี่พอจู่ๆมาอืศัตรูต่างประเทศทหารต่างประเทศปีเข้ามาเราก็จะเอาปืนเออพอเราได้ปืนไม่รู้จะยิงไปทางไหนใช่ไหมล่ะเพรไม่รู้จักไม่รู้จักเพราะไม่ได้ฝึกเอาไว้เนี่ยใช่ไหมเออ ไม่รู้จะเล่งไปทางไหนก็ไม่รู้ท่าไหร่เพ้อเพออาจจะยิงหมู่ตัวเองตายอีกต่างหากนี่แหละอันนี้มันต้องมันต้องได้ฝึกเอาไว้เหมือนกันฝึกไว้แต่เนิ่นเนิ่นเหมือนกันออกความคิดตัวนี้เราจะคิดยังไงเมื่อถึงจุดนั้นนะเพราะเราจะต้องถึงจุดนั้นแน่ๆน่โดยกันไม่มีใครอันนี้ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันหลวงพ่อว่านะอย่าไปคิดว่าเอาความตายมาขู่กันเนอะให้ถือว่านี่แหละพวกเรารักกันนะจึงเอาความตายมาพูดให้กันฟังว่า เมื่อไปถึงจุดนั้นเราจะทำยังไงในหลักของพุทธศาสนาเราตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะเพราะนั้นเราจะทำยังไงในจุดนั้นเราจะทำยังไงจึงจะถูกต้องแต่เราต้องคิดไว้แต่เนินๆหลวงพ่อว่านะถ้าไม่คิดไว้แต่เนินๆไม่ได้แล้วหลวงพ่อก็เลยยกเป็นนิทานขึ้นมาให้สาธกให้ให้ฟังปิดอุททางหอนว่านะจาง่ายมียายแก่คนหนึ่งว่าเออ เขามีพี่น้องโดยกันหลายคนยายคนมีพี่น้องหลายคนแต่ยายคนนี้เป็นผู้มีน้ำใจเหมืองั้นจ้ะพวกพี่สาวก็แต่งงานน้องสาวก็แต่งงานแต่แต่แกไม่ได้แต่งงานแต่แต่พวกลูกพี่น้องกเขาก็มีลูกมีเต้าขึ้นมาแต่แกก็เป็นผู้เลีเ้ยงดูลูกพวกเลี้ยงลูกหลานๆนะี่ยเลี้ยงพวกหลานเหมืงั้นจ้ะแต่แกอาชีพของแต่แกก็นี่แหละพอตกหน้าฝนก็ไป หาหอยโค่งหอยจูบอะไรในท้องนาแล้วก็มาช่างขายอ่างนั้นพอตกหน้าแล้วรก็ไปขุดดิ น, นที่มันมีหอยมั น, ม, นมันฝังตัวอยู่ในดิ น, นแล้วก็เอาหอยมาขายอ่างั้นสรุปแล้วก็คือยายคนเนีนะ้หาหอยขายตั้งแต่สมัยเป็นสาวนะตั้งแต่เป็นสาวเลี้ยงหลานมาตลอดจนได้เรียนหนังสือจนเป็นใหญ่เป็นโตอ่างนั้น ตอนี้พอลูกหลานก็ใหญ่ขึ้นมายายนีก็แก่ลงไปเรื่อยๆพอยายแก่ลงไปแล้วก็พวกลูกหลานก็เห็นโอ้ยายหยุดซะเดี๋ยวพวกผมจะเลี้ยงเองทีนี่พวกยายเลี้ยงพวกผมมานานแล้วยายก็เลยหยุดทํามาหาเลี้ยงชีพเหมือนกั น, นหยุดหาหอยเหมือนกันแต่ต่อมายายก็แก่แก่แก่เข้าต่อมายายก็ป่วยพอยายป่วยขึ้นมาพวกลูกหลานก็เข้าวัดเข้าวายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเข้าวั ด, วดอย่างนกัน เออยยายนี่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยเมีแต่ทําคุณหาหอยเลี้ยงขายมาขายแล้วกัให้ทุนการศึกษาพวกเราพวกเราควรจะแทนบุญแทนคุณยายยายเป็นผู้มีพระคุณสําหรับเรามากไปยายป่วยแล้วพวกเราควรจะไปในมูลพระอมาสักบางสกุลเป็นบางสกุลตายให้แก่ยายมาสอนธรรมะให้แก่ยาย แต่ยายเนี่ยไม่มีไม่เคยเข้าวัดไม่เคยสนใจอะไรเลยเหมือนกับที่หลวงพ่อว่าเมื่อค้าสึกเข้ามาแล้วเอาปืนให้อย่างงั้นแหละกันเถอะอันนี้ยายคงเหมือนกันไม่เคยเข้าวัดเลยอย่างนั้นศีลธรรมไม่เคยสนใจแต่ในพระท่านก็มาเอผาผ้าขาวคลุมเสร็จแล้วท่านก็สวดอเนจามอจีรังวัตยางกายโยงั้นเถอท่านก็สวดอเนจ่าให้พอสวดเสร็จแล็บท้ายท่านก็ยายเนี่ยคงจะไม่ไหวแล้วข่าวด ภาะหัวหน้าที่ไปแทนกับยายไม่มีใครที่จะช่วยตนเองได้นอกจากตนเองเท่านั้นนะอัตหิอัตโนนาโถแล้วนะข่าวนี่ใครช่วยลูกหลานช่วยกี่ช่วยได้ในระดับระดับหนึ่งเท่านั้นเองยายต้องช่วยตนเองนล้นะข่าวนี่ให้ยายตั้งจิตให้แนวแน่นะจะไปคิดอย่างอื่นนะให้ยายภาวนาเน้อนะยายนะ ให้จำไว้นะเดี๋ยวจะสอนให้วิธีการภาวนาให้บริกรรมว่าอารหังอารหังอารหังอารหังอารหังจําได้ไหมยายยายกับเจ้าข้า<ม>คืออรหังก็คือให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเหมือนกับว่าพุทโธพุทโธอย่างนั้นแหละแต่นี่ครับทว่าให้สอนให้อารหังกัน อารหังอารหังอารหังอารหังยายเนี่ยเจ้าข้ายทีนี้พอต่อมานี่ยพระกันขไปยายก็ป่วยหนักลงไปเรื่อยๆเขาก็ภาวนาเลยอารหังอารหังเอาไปมาเขาไปเคยพูดอารหังใช่ไหมล้ะที้เขามีแต่หาหอยตลอดไปกันเเขาเาเลยเป็นหังเป็นหอยไปบัดเออเอรหอยอาเราหอยอารหอยอารหอย เขาเลยใจขาดวัดลวแบานั้นเถอะเพราะเขาไม่เคยไม่เคยภาวนาอาระรหังมาก่อนใช่ไหมมแต่หาห อ, อยทั้งปีทั้งชาติแบบ น, นั้นเอพราะนั้นมันต้องฝึกไว้แต่เนิ่นๆหลวงพ่อว่านะออการจิตภาวนาการภาวนาเนะีน่ยไม่ยากนะคณะสัจธรญาติโยมลูกหลานการภาวนานะไม่ยากถ้ารู้เรื่องแล้วออวันไหนสมมติว่าเราไหว้พระ เ, ออเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ อย่างตอนหัวค่ำหรือว่าตอนดึกสงัด เ, เราจะเข้าออห้องนอนแล้วที่นี่เราก็ปิดโทรทัศน์สะปิดโทรศัพท์สะปิดวิดทยุสะสิ่งที่มันจะรบกวนใช่ไหมถ้าไม่งั้นเวลานั่งภาวนาเก้งขึ้นมากนะเออมันก็ต้องโดดรับแต่นี่เราตัดไปเลยหนึ่งชั่วโมงแล้วเถอะไม่ให้มีอะไรเข้ามาแล้ะก็ะปดไปที่บริเวณนะเราจะนั่งภาวนาเออ มันจะรวยมันก็รวยพอแรงแล้วละมันจะจนมันก็นจนพอแรงแล้วละ่ะไอปิดโทรศัพท์ไว้เพียงหนึ่งชั่วโมงคงจะไม่จนไม่รวยมัง่งไอคิดอย่างนั้นเหมือนกันอะเออใครจะใครจะเป็นจะตายยังไงก็คงจะเป็นจะตายคงหนึ่งชั่วโมงคงจะมีไม่มีอะไรมัง่งเราก็แค่ว่าให้เป็นส่วนตัวที่สุดเหมือนกันเถอะหนึ่งชั่วโมงเนะี่ยหรือสามสิบนาทีเนะี่ยแล้วก็ปิดโทรศัพท์วิทยุเออ โทรทัศน์อะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไหวพ้วพระไหว้พระเราไม่ต้องไหว้มากก็ได้ลาหั ง, หงอาหาสวัสดิ์ตสุปฏิปัโนนโมตัสสะพุทธังธรรมังสังขังเท่าที่จะไหว้ได้เามือนกันแตอย่างนั้นก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาในจิตใจก็ไม่ยากวะ่ะข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายวงศาคนายาดญาติมิตรสหาย เจ้ากำนายเวรสัพสัตทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายทั่วตรโลกธาตุวิญญาณทุกวิญญาณถ้าผู้ที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นวิญญาณอื่นทั่วตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนา เพียงแค่นั่นแหละในคืนเนี่ยคือแผ่เมตตาเลยไหมพอแผ่เมตตาเสร็จแลว้วก็กราบพวกกราบเสร็จแลว้วก็เนี่ยนั่งอย่างพระประธานนั่งเ อ, อีเราทดลองดูเพาะงั้นทดลองดูมันสบลายะไหมนั่งอย่างพระประธานนั่งถ้ามันตรงนะเวลานั่งอย่างนี้ครับว่ามันตรงมันไม่เอียงข้างนั้นเอียงข้างนี้ อ, อนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าเนี พอพอเรานั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขาขวาทับขาซ้ายแล้วหลับตาแล้วก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกอย่างนี้นะเนี่ยก่อนที่จะนั่งสมาธิจากนั้นก็พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสมจบจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นทุกวิญญาณขอให้มีความสุขอย่างที่เขา ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอทุกท่านด้วยเถินจากนั้นก็นลงมือคล้ายๆทําไมจึงมีจึงให้มีเมตตาก็เพราะว่าใจของเราบางทีมันอาจจะโมโหโกธามันยังไม่จบอยู่เหมือนกอะเถอเ อ, อ, อ, อบางทีมันโกรธมาใหม่ๆบางทีมันโกรธมาติดเลื้อหลังมาตั้งเป็นเดือนเป็นปีเหมือนกันเถอะมันยังโมโหจะจะขมอมอยู่ตลอดไปคิดไปถึงเขาเมื่อไหร่เหมือนกันะ อันนี้ให้เข้าวัดใจของเราในชวงนั้นให้แผ่เมตตาให้ออกมาจากใจจริงๆนะไม่ต้องไม่ต้องไม่คิดธรรมดาในใจจริงๆออกจากสมาธิแล้ค่อยว่ากันอีกคุณว่านเถอะในในขณะที่จะนั่งสมาธิน่ะให้แผ่เมตตาจริงๆจากนั้นกน็นั่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแต่บางคน เออผมเนี่ยเวลาหายใจเข้ามันไม่รู้ลมผ่านที่ไหนนะอันนี้เราต้องหายใจแรงๆดนะูหายใจเออกระแทกเข้ากระแทกลงกระแทกคือสักสามสี่ครั้งหรือห้าหกเจ็ดแปดครั้งปั่นลมกระทบที่ไหนพอลมกระทบที่นัหนเออล้วก็พ้อยผ่อนผ่อนผ่อนผ่อ น, ผ, อ น, ผ, อ น, ผ, อนผ่อนลงหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเดี๋ยนพุทโทพุทโทพุทโทน่ะบริกรรม ไม่ต้องส่งไปในอดีตไม่ต้องส่งไปในเรื่องอนาคตให้ใจอยู่ในเดียวนี้ขณะนี้ให้มีสติอยู่เดี๋ยวนี้ในขณะนี้นี่แหละคือภาวนามไม่ยากกว่างั้นเอาเอาได้เพียงแค่นี้ก่อนวากงั้นาจากนั้นจิตสงบเป็นยังไงอันนั้นยังคอยว่ากันอีกแต่ว่าถึงยังไงท่านนั่งภาวนาไปเตือนได้อีกอย่างหนึ่งเวลาจิตสงบไปมันจะเห็นนิมิตพูดผีปีศาจเรื่องอะไรก็ตามนะ ถ้ามันเห็นออกไป น, ะ น, นั้นอย่าไปไม่ต้องไปดูมันให้ย้อนกนรรมฐานให้ย้อนมาหากาลมหายใจเข้าออกนิมิตรเหล่านั้นจะหายไปเองไม่ต้องกลัวอันนี้บอกไว้ก่อนนะเผื่อว่าเวลานั่งไปพอจิตสงบพอเริ่มสงบไปปุ๊บไปเห็นพูดพีปีศาจเห็นนรกเห็นอะไรกลัวเอแต่บางคนก็ไปเห็นเทวบุตรเทวดาอินพรลอยไปอกีกเหมือนกันเหมือนกันหนะลงไปอีกอันนั้นอ่ใหญ่อย่าเพิ่งหลงนะอย่าเพิ่งไปตาม ถ้าเห็นสิ่งไหนก็ตามให้ย้อนกลับมาหากรรมฐานเดิมมหากรรมฐานที่เรากําหนดเบื้องแรกกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธอารมณ์เหล่านั้นนิมิตเหล่านั้นมันจะหายเหมือนปิดทิ้งเลยไม่ต้องกลัว เ, เพราะนั้นอันนี้ฟังเอาไว้เวลาเรานั่งภาวนาและเห็นนิมิตมาเลยบางคนมันเห็นอย่างนั้นจริงๆริงนะแต่ว่าตามไม่จริงเป็นของจริงหรือเป็นของหลอกอันนั้นเราก็ไม่กล้าวินิจฉัยไปได้เพราะงั้นแต่ที่ยังไง อย่าไปดูมันเพราะเรายังพึ่งฝึกคัดใหม่จะนัพ่พุโทโธพุโทโธพุทโธไปเรื่อยล่ะ ใ, ให้มีสตินี่แหละถ้าว่าจิตของเราเข้าสู่ความสงบได้พวกเราจะรู้รสของพระพุทธศาสนารู้รสของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่แหละ จิตที่จิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเนะี่ยมีความสุขเยือกเยี่นมากๆมีมจิตมีจิตใจมีเหตุมีผลจิตใจไม่บูวามคิดเรื่องอะไรก็ด้วยเหตุด้วยผลเหตุผลไปพร้อมเนี่ยคนที่มีสติสัมปชัญญะดีนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะและก็ท่านว่าอั น, นิสงฆ์มากอีกต่างหากนะท่านบอกว่าให้ทานร้อยครั้ง สู้รักษาศีคลครั้งบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาจิตสงบครั้งหนึ่งไม่ได้ท่านวายอย่างกันนะในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นพวกเราจะไม่เอาเลยเอาอันนี้สงมากมากใช่ไม้มเถอะลงทุนก็ไม่ใช่จะลงทุนมากอะไรมากใหม่ใช่ไหมมีแต่ขาขวาทับขาซ้ายท่านเองนั่งขัดสมาธิท่เองอันนี้สงมากอีกต่างหากใช่ไหมลงพ่อหน่าลงทุนนะพวกเรานะ ถ้าไม่ได้จริงๆก็นั่งนั่งเก้าอี้ก็ได้ถ้าพวกเรานั่งขัดสมาธิไม่สะดวกอย่างไหมเรานั่งเก้าอี้ก็ได้เ อ, อ, เ, อ, อเราตั้งพระเพียกก็ได้เ อ, อเราจะนั่งยังไงก็ได้แต่ข้อสาคัญก่อนอนนะั่นแ่ะให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกเนะี่ยตอนนั้นแหละแต่ในวิธีเดินทีเนถึงเดินทํำยังไงหลวงพอ่อเดินโยกกลมได้ยินแต่เขาว่าเดินเดินเน่ยทำยังไงวิธีเดินโยกกลมเนีตามแนวแถวของ สายหลงปู่มั่นที่หลวงพ่อได้ฝึกได้ศึกษาหลวงปู่มั่นหลวงปูเ่เสาหลวงปู่ต่างๆที่ท่านสอนทุกสิทธูกหาพระเนนของท่านท่านบอกให้กําหนดเส้นทางอย่างพวกเราอยู่ในบ้านใช่ไหมอยู่ในบ้านก็มีลวดล็อกขอบชิดในบ้านของเรามีถนนในบ้านของเราเนี่ยดึกสงัดไม่มีใครแล้ยจุดไฟเอาไว้แล้วยคนในบ้านก็ไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมเออเราก็เดินอยู่กลมเราก็กําหนดทางของเราเลย จากประตูบ้านไปหาที่มันเรียบๆนะประมาณทักยี่สิบ0เมตระเราก็ไปอยู่สุดซนทางสุดไอ้สุ ด, สดทางข้างใดข้างหนึ่งพอยืนอยู่สุดทางแล้วก็ยืนปนมื อ, อนั่งยืนหลับตาปนมือพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆ ส, สามจบคือไหว้ครูซะก่อน พรเราที่เดินจงกรมเนี่ยเราไม่ได้มาด้วยใครม่ใครสอนไม่ใช่เพราะเป็นธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรมโมสังโฆซะก่อนอย่างนั้นพอพุทโธธรมโมสังโฆเสียจแล้วก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื in, ่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นจัดอื่นวิญญาณอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนา จากนั้นก็ขาขวาพุทธขาซ้ายโถเดินตามปกปติเพียงแค่ไม่ต้องเดินช้าไม่ช่อยเดินยกหนอข้าหนอพองอันนั้นเป็นเป็นเรื่องของการเดินของท่านอีกนแบบหนึ่งแต่กรรมฐานของหลวงปู่มัน่นคูบาอาจารย์เนี่ยท่านใด้เดินแบบธรรมดาเหมือนกับเราเดินไปทําการทํางานแล้วเดินบินธบาตเนี่ยขาขวาพุทขาซ้ายโถพุทเพียงแต่ให้มีสติในการก้าวเดิน ขาขวาพุดขาซ้ายโทพุทโทพุทโทพุทธโถไปซึ้งที่สุดท้านอย่ากลมถ้าว่าคนบางคนว่าเวียนซ้ายเลยเวียนขวาหลวงพ่อหลวงพ่อว่าเวียนขวาดีกว่าถ้าว่าฝึกขัดได้นะมันฝุดแท้แต่เราจะฝึกคือเราปุ๊บเรากับกับลังหันขวาหันหนจ่งสันห์ขวาหันหันหันทางขวาเหมือนกันเออเออขวาหันมาทันนี้ก็ขวาหันเลยก็ขวาหันก็ขวาหัน อันนี้ก็คือเวียนขวานะนีพอไปถึงสุดเดือนรมแล้คก็หยุดแล้วก็ขวาหันแล้วก็ขวาพุทธใจโทพุทธโธพุทธโทมาถึงสุดทางนี้ก็ขวาหันนแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธแต่มือของเราเอาไว้ยังไงหลวงปู่มั่นท่านบอกไ ม, ไม่ให้มือกอดอกกินนี่ถ้าเอามือกอดอกกินนี้ท่านบอกว่ามันเหมือนคนลักษณะเจ้าทุกข์ทมากันัะ เหมือนกับคนมีทุกข์ในจิตในใจคนกอดอกคอตกอย่างไงว่าคนมีทุกข์เหมือนกันอแต่เอามือค่อยหลังท่านว่ามันเป็นท่านักเลงเท่ากัน่เออท่านักเลงวะนะท่าไม่เคารพเหมือนกันถ้ามาไกวแขนเนี่ยคล้ายๆว่ามันมั น, ม, นมันท่ามันทําไม่เคารพมันท่าอนั้นเกินไปเลยต้องท่าลํำพึงอย่างนี้เท่านั้นเออท่าลำพึงต้องเอามือประสานอย่างนี้นี่แหละท่าส ม, มณะท่าลํำพึง พอมือประสานตัวนี้เราก็เดินอย่างกลมพูดโทรพูดโทรพูดโทรนี่แหละวิธีการเดิมเดินอย่างกลมอะเราไปเดินที่ไหนก็เดินได้ไม่ต้องอายคนนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนี่แหละวิธีการเดินอย่างกลมเราไม่ต้องอายใครแล้วนั่นไปเดินมาเดินอยู่วัดหลวงพ่อจะไปเดินวัดหลงตาจะไปเดินที่ไหนก็เดินเถอะเนี่ที่ทำอย่างหลวงพ่อพูดนี่อนี่แหละถูกต้องแล้วการแต่วิธีการเดินอย่างกลมนะแต่บางทีเดินไม่รู้จะเดินช้าไม่รู้จะเดินเร็วเดินตามปกติ เอนี่แหละเวลาเราเราเวลาเราจะออกจากทางใดยังกรมล่ะเวลาเราจะออกจากสมาธิล่ะหลวงพ่อเนี่ยเวลาเราจะออกเรากับปนมมือเหมือนเก่าเ น, นนะ่ยอพุทธโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็เออบุญกุศลที่เข้าไปเจ้าได้บำเพ็ญเรื่องจิตภาวนาได้สู้กับอารมณ์ยากแสนยาก อย่างในก็ตามบุญกุศลที่เกิดจากการนั่งสมาธิเดินอย่างกลมในครั้งนี้เขาขอให้เป็นเพราะวะ่าพะวะ่าัจจัย เ, เกื้อกูลหนุนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายบรงสากานาญาตธรรมาทานรวงรับไปแล้วก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ฆ่าโดยเถิดแต่ผู้ยังมีชีวิตอีกขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวั น, นะสุขภาระโดยบุญกุศลที่เข้าไปเจ้าในบอมเพญ สมาธิในแต่ละครั้งจากนั้นก็ออกจากสมาธิได้นี่แหละวิธีการออกจากสมาธิก็ไม่ยากนะเวลาเวลายืนน่ยทำยังไงหลวงพอ่อเวลาเรายืนเนี่ยโดยมากมันต้องหาที่พิงนะยืนเนี่ยนะถ้ายืนกลางแจ้งเนี่ยทั้งหมดว่าเราเดินไปแล้วไปยือนอยูุ่ดทางเดงกมลมเราก็ยืนลำพึงพุโทโธพุโทโธให้เข า, าหยุดนิ่ง อันนั้นก็ได้แต่ยืนไม่ได้นานหรอกอมันจะวนเงินวนเงินแต่พระในครั้งพุทธกาลแล้ว่ากครูบาอาจารย์ที่ท่านเดชกุมท่านจะมีแผ่นกระดานทั้งหลังท่านจะยืนพิงแผ่นกระดานอาอันนี้วิธียืนมานถยยื น, ยนเดินนั่งแต่แต่ไม่แนะนําแต่เรื่องนอนเท่านั้นเพะพรา ะ, ะโยมพราโยมชอบอยู่แล้วงั้นเถอ <laughs> เพราะพวกเราชอบอยู่แล้วนอนภาวนาหรือว่าน้นเถอะเพราะนั้นไม่แนะนำเหมือ น, นเราจะไปคิดอย่างงั้นเราเราคิดว่าเราพุโทโธมันอยู่ในใจเอพุโทโธไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันอยู่ในใจของเรา <S <S เพียงแต่ว่าเราให้มีสติในการก้าวเดินนั่นเอง <S <S ถ้าไม่อย่างั้นถ้าถ้าเราไม่ได้กำหนดใจการก้าวเดินของเรามันจะไม่มีไม่มีที่กำหนด มันจะลอยเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าสูงหรือต่ำทุกแห่งสูงหมดเลยตัวนั้นคือเท้าเลยถ้าตัดเท้าเลยสิเอเราว่างไปยังไงใช่ไหมเท้าก็สูงอีกเหมือนกันเพราะเราให้ความสมมุติมันใช่ไหมทุกส่วนในร่างกายของเราสูงหมดทุกอย่างใช่ไหมจะให้ความสําคัญแต่หัวอย่างเดียวตัดเท้าไปยังไงยเอ <laughs> เอเพราะฉะนั้นเราต้องคิดมาว่าทุกส่วนในร่างกายคือสูงหมดใช่ไหมอ๋อ เราจะไปคิดประท้าต่ําหัวสูงอย่างนั้นไม่ได้คือจิตที่เอ็ดเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่จะเข้าง่ายๆพูดอย่างนั้นได้เลย <acial. S 1> ก็เหมือนกับเราจะเหมือนกับเป็นเศรษฐีกับคนทุกอย่างนั้นนะเอผู <nder ga. S 1> ้ที่จะเป็นเศรษฐีกับเป็นคนทุกอันไนอั น, นง่ายกว่ากันเอเขาถามเราถามเออนั่นแหละผู้ที่จะเป็นเศรษฐีมันยากอันนี้ก็เหมือนกันจิตที่จะเข้าสู่ความสงบถึงอัปปนาสมาธิไม่ใช่ของง่ายพูดอย่างนั้นได้ เป็นเสียคนนั้นฝึกหัดอย่างช่ำชองจริงๆ จ, งๆจึงจะบังคับให้จิตเป็นอัปปนาสมาธิเวลาไหนก็ได้อันนั้นมันต้องฝึกฝึกจริงๆวลานั้นแต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายถ้าไม่มีอุปนิสัยเก่าแ ก, ก่ดึดกดำบรรพจริงๆนละยโดยมากมันส w i บ, บไปส w i บ, บมาท่านเองเพราะนั้าอัปปนาสมาธินี่เวลามันเข้าไปมันจะเข้าปุ๊บเข้าไปจากนั้นมันจะอยู่ไม่ได้นานหรอก มันก็จะต้องถอนออกมาโดยอัตโนมัติของมันนะมันจะต้องถอนมันถอนเองโดยอัตโนมัติอืมเออมันโดยมันถึงกำหนดมันมันถอนเองเพราะมันมันมันอยู่ในมันอยู่ในความสงบแล้ะเมื่อกันเรานอนตื่นอย่างนั้นเมื่อกันเรานอนอย่างนั้นเออเวลาเวลาเราถอนยังไงถอนจากความตื่นใช่ไหมเออมันมันลักษณะนั้นนะให้เข้ามันเข้าไปปุ๊บมันหลับมันหลับไปเลยเออพอพอถึงกำหนดมัน บางทีหลับมากหลับน้อยหลับเลยมันมันมิมันส่วนที่มันจะถอนขึ้นมากลับมาได้ใช่มันพร้อมที่จะมันถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็เป็นขั้นอุปจาระอุปจาระสมาธิมากกว่าใช่มันมันมันไม่ใช่อปนาเลยนะมันอุปจาระมันถอนขึ้นมาในในระดับที่ว่าสติกับจิตควบคุมกันอยู่มันจะไม่ทะเลาะถ่ายไปทางอื่นสติควบคุมจิตในขณะขณะที่ที่ออกมาแล้วนะ จิตมันจะไม่ทะเลาะถ่ายอะไรไปคือสตินควบคุมจิตอยู่แต่อัปปนาสมาธินี่ยมันมันลงไปมันลึกเออมันสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยเอ่สติกับจิตสติเป็นอะไรจิตเป็นอะไรจิตเป็นอะไสติเป็นอัไรเป็นอันหนึ่งเป็นเป็นอันเดียวกันมันจะอยู่นิ่งเออมันจะไม่เผลอเสียงทั้งหลายจะไม่ได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงรถเสียงราเสียงอะไรไม่ได้ยินทั้งหมด ในจิต ท, ที่เป็นอัปปนาสมาธินั้นโดดเด่น เ, เมื่อถอนออกมาแล้วรู้ได้เร็วตายแล้วไม่สูญนะตัวที่ทำให้เกิดในตัวนี้ตัวที่มันเด่นเด่นเห็นได้ชัดเนี่ยนี่นะจิต ท, ที่เป็นอัปปนาสมาธิที่ที่ได้ผ่านมาที่ได้ศึกษาม า, าไม่ใช่ถอนแต่ว่าเราจิตติดสมาธิอันนั้นคือเมื่อเราจะเข้าเข้าสู่อัปปนาสมาธิพอจิตสงบพอสมควรแล้ว ถ้าเขาไปอัอยู่ในอัปปนาสมาธินั้นมันจะอยู่ได้นานมันอยู่ได้นานแล้วอันนั้นคือมันมันไม่เป็นผลดีสําหรับภาคปฏิบัติเดินวิปัสสนาอันนั้นเรารู้เลยว่าเราเดินเข้าไปจุดนั้นแล้วมันจะต้องเป็นจุดนั้นเราพอถึงอุปจารสมาธิเราก็พิจารณาเลยคือไม่ให้มันไปฝังจุดนั้นการที่ภาวนาเนี่ยมันไม่ถึงกับอัปปนาสมาธิซะก่อนอย่างพิจารณาการพิจารณาเนี่ยคล้ายๆกว่า เมื่อเราเมื่อเราภาวนาถึงจะจิตใจมันไม่สงบเนี่ยใช่ว่าเมื่อเราภาวนาไปจิตใจมันปูงฟงุ้งแลบไปแสลบมามันเอาไม่อยู่เราอาจจะพิจารณากระดูกของเราก็ได้เออเราไม่ถือกับให้เป็นอปปนาสมาธิซะก่อนจึงจึงจะผ่านจุล น, นั้นจก่อนถ้าผ่านจุล น, นั้นได้ดีเป็นอันดับหนึ่งเออเป็นหนึ่งว่างันแต่แต่มันมันจะให้ผ่านดัง น, นั้นทุกครั้งซะก่อนที่จะมาภาวนาทําให้เนื่องช้า เราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นเราเวลาเราจะนั่งภาวนาเนี่ยพเพราจิตมันปุ่งฟุง้งเออข่าเนี่ยมันเอาไม่อยู่เลจะให้สงบมันไม่สงบวะ่ะเราก็นำมาคิดมาพิจารณาเลยคือจะพิจารณาเอาพิจารณาเราจะพิจารณากระดูกอย่างเดียววันนี้กำหนดดูกะโหลกศีรษะอย่างเดียวกระโหลกมันมีลักษณะอย่างไร กะโหลกศีรษะก่อนหลอกจากหน้ามาดูกระดูกคอจะว่ากระดูกแขนเออกระดูกแขนขวาจนถึงนิ้วมือมันเป็นชี้เป็นยังไงกระดูกข้อมือเป็นยังไงกระดูกข้อศอกป็นกระดูกแขนเป็นกระดูกแขนนี่เป็นไงจนถึงมันดูข้างนี้อีกดูชี้โค้งไปไงกระดูกหลังเป็นคือดูอย่างละเอียดถ้าก่อนที่เราจะดูเนี่ยเราต้องดูดูเอภาพวาดกระดูกซะก่อนหรือเราไปเห็นกระดูกที่ไหนเราดูให้เข้าใจว่า กระดูกคนเป็นอย่างนี้กระดูกเราก็ไม่แพ้กันเป็นอย่างนี้เหมือนกันจากนั้นเวลาเราภาวนากน็ใช้ชัญญาต่นนั้นนะมามาเปรียบเทียบกับตัวเองมาเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นกันร่างกายตัวเองพิจารณาคือลงไปแล้วก็พิจารณากลับขึ้นมามันถ้กกากลังมากลับลงไปเพาราะกายมันกลับขึ้นมาเราเห็นที่ไหนเราเห็นกระดูกท่อนไหนที่ชัดที่สุดสติของเราดีที่สุดชัดที่สุดในการเห็นกระดูก เอาจิตจับอยู่จุดนั้นจ่ออยู่จุดนั้นแพ่งอยู่จุดนั้นกำหนดอยู่จุดนั้นนี่แหละเมื่อเราทํากําหนดได้อยังไงเนี่ยจิตจะรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้เนีคือเราเมื่อเมื่อเราพิจารณ า, นานะแต่ขณะที่มันคิดเนะ่ยมันจะไม่ลงไม่ลงนะแต่มันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่เมื่อกําหนดจุดอยู่จุดเดียวมันจะลงเข้าสู่ความสงบอสุภะ ถ อ, ถอนความยึดมั่นถือมั่นของใจอย่างหลวงปู่มันท่า น, นบอกว่าการทํานามไม่ใช่ทํานาที่ดินฟ้าอากาศทํานาบนแผ่นดินการพิจารณารมก็เหมือนกันต้องพิจารณากายต้องเป็นหลักพิจารณากายเป็นหลักเพราะลกใจของเรามันหลงกายมันหลงเพราะมันติดมาแล้วมันหลงจริงๆมันหลงกายมันไม่ใช่หลงธรรมดานะมันถือว่ากายเป็นของเราเราเป็นกายจริงๆมันติดสนิทกันจริงๆ คนนั้นไม่ใช่ธรรมดาที่จะต้องใช้ความคิดหรือการพิจารณ า, าเพียงผิวเผินหรือเอาแบบง่ายๆแต่ต้องใช้ปัญญานั่นแ่ะแต่บางคนก็บอกว่าเวลานั่งสมาธิจิตเข้าถูกความสงบแล้วไม่อยากจะให้จิตสงบหรอกเพราะกลัวจะติดสมาธิฮอย่างนั้นก็มีเออเหมือนกับพวกเราไม่เคยเป็นเศรษฐีอย่างนั้นหรอก เ, เป็นขี้ทุก ไม่อยากจะเป็นดอกเศรษฐีกลัวจะติดเงินลักษณะอย่างนั้นเออหลวงพ่อว่าถึงยังไงถ้ามีปัญญาถ้ามีปัญญาเสียอย่างเดียวแล้วนะมันไม่ติดหลอกเงินนะถ้าคนโง่เน่ยสี่บาทห้าบาทมันก็ติดอย่างนั้นเออถ้าเป็นเศรษฐีแล้วมันไม่ติดอย่างนั้นรู้อ่ะอันนี้คือเงินเป็นปัใจจัยใช้สุขคราวเฉยๆนะเออแต่ทางว่าเราไม่มีปัญญานะติดมันได้เหมือนกันเออเพราะฉะนั้น ให้เป็นสมาธิให้ให้รู้รสของสมาธิไว้ก็ดีเหมือนกันได้ริ้มรสว่าเออสมาธิของพระพุทธเจ้านี่ท่านว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนเป็นอย่างไรให้ได้ริมรสดูว่าพอลิ้มรสดูแลเออความสงบเป็นอย่างนี้เองเออเพราะเหตุนั้นเองท่านยังว่าติดติดได้ถ้าวันเราอยู่เพียงแค่นี้แต่เพราะนั้นเรารู้แล้วว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําแล้วว่านี่ ติดสมาธิทําให้เดินช้าไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกับคนกินอาหารอิ่มแล้วก็เป็นนอนในห้องแอร์ตีพุงอยู่อย่างนั้นเสียแล้วก็มากินแล้วก็นอนอยู่เลยทั้งวีทั้งวันทั้งปีทั้งชาติจะมีผลงานได้อย่างไรใช่ไหมจะบริหารจัดการเรื่องอื่นได้ยังไงมักินของเก่าอยู่อย่างนั้นนอนอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องถอนตัวออกจากสมาธิในการไม่นอน ต้องมีเวลนำเวลาในการนอนเออเวลาจะนอนคืออะไร เ, เวลาจะทำงานคืออะไรแต่วเวลาคนจะทำงานทำทั้งวี่ทั้งวันต่บี่แต่บันงานนี่แหละเออจะเป็นผลงานสำหรับเราไม่มีเวลาหลับไม่มนอนไม่มีเวลาทานอาหารเฉเลยคนนั้นก็นไปไม่ได้ไม่กี่น้าอีกเหมือนกันใช่ไหมเอเพราะนั้นทั้งสมาธิและวิปัสสนานะเป็นของคู่กันวิปัสสนา ค, คือการนึกคิดหาเหตุผล ที่จะหักล้างจิตใจของเราให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายแต่สมาธิในทําให้จิตใจได้พักผ่อนมันคิดแล้วมันเหมื่อยมันเหมื่อยล้ามันอ่อนล้าในการคิดปรุงแล้วก็กำหนดให้มันอยู่ให้มันจิตได้พักผ่อนเพียงแค่นี้แหละสมาธิกับวิปัสสนามันมันสรุปแล้วก็คือต่างกล้ำต่างวาระจะทําพร้อมกันไม่ได้ช่วงพิจารณาก็พิจารณาไปช่วงที่ทําสมาธิก็สงบก็สงบไปให้มันสงบ ในเมื่อถอนออกมาจากความสงบแล้วก็พิจารณาไตรตรองเหตุและผลอันนั้นจะเห็นได้ชัดเจนเพราะจิตใจรวมเป็นหนึ่งแล้วปัญชัดเจนแล้วจิตใจไม่บกแวกเหมือนนั้นตัดสินใจสิ่งไหนก็นตัดสินใจแบบเด็ดขาดได้เลยเหมนั้นเถะนี่แหละจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิเรียกว่าภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทาจิตให้สงบซะกอ่อนนี่แหละให้พวกเรา ทั้งหลายศึกษาเนื้อธรรมะของพระพุทธเจ้ามีมากมายมีหลายขั้นตอนนะแต่ถึงยังไงพระพุทธเจ้าก็สอนพว ก, พวกเราเนี่แหละพุทธบริษัทสีนี่แหละอันรับพรในตเนเองนะอนุโมทนาให้พรพวกเราที่ส่วนกุศลจะตูกปัจจัยของคณาสัต ธ, ธรราญาติโยมลูกหลานที่มาทำบุญท่าจะว่าไปหลวงพ่อก็ได้ช่วยทางโรงพยาบาลอะไรตรงมีอะไรแต่เนี่นแหละ ทำทรสมบัติที่ได้มาเนะี่ยไปสร้างโรงพยาบาลไปช่วยอะไรต่อมีอะไรส่วนนั้นก็คงจะเกิดประโยชน์นะพอมาพูดถึงโรงพยาบาลเนะี่ยกรุงตราสร้างตึกสงอาพาตึกสิบชั้นนะงวดที่สามนะงวดที่ส ม, มีอยู่ทั้งหมดงวดหนึ่งมนมีอยู่สิบแปงวดนะงวดที่สามเนะี่ยจะได้จ่ายเงินประมาณ 4.4 ล้าน4ล้านสี่แสนกว่าบาทแต่นี้พอเขาหัก พาสีมูลค่าเพิ่มออกยังเหลือเงินอยู่สามล้านแปดแสนสามล้านแปดแสนสี่หมืนกบาทหลวงพ่อเออคณะสัตย า, า, ศ า, ศ า, ศา ญ, ญาติผมปัจูปใจอย่านี้เนะลยหลวงพ่อก็เลยเอจ่ายงวดที่สามแทนหลวงตาเหมาือะเอเอแต่หลวงตาเป็นคนซื้อก๋วยเตี๋ยววัดของเราเป็นคนจ่ายเงินเหมนั้นแต่งวดที่สามนะ เออสามล้านแปดแสนสี่หมื่นกว่าบาทนั่นอ่ะเพราะฉะนั้นจะตุกปใจัยสงพ่อได้มาหลวงพ่อก็ถึงคิดแบ่งปันเหมือนกันนะจะช่วยเหลือจุดชุมชนตรงไหนช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงหล่ำโรงเรียนเออแล้วก็ช่วยเนี่ยสีนกคกิรียนขอนแกน่นผ่านไปแล้วตัวนนะั้นหลวงพ่อก็ได้เข้าไปช่วยเดี๋ยวนี้หลวงพ่อยังเป็นเป็นประธานมูลนิธิหออพิบาลสงหลวงปู่มั่นนะ เ, ออเป็นประธานมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่นเหมือนกันเออจะให้ใครเป็นใครก็ไม่กล้าเป็นเพราะว่ามันเรื่องเงินใช่ไหมหลวงพ่อมาหลวงพ่อจะเป็นเองวะ เ, เดี๋ยวหลวงพ่อจะช่วยตึกสงพ่อแม่ครูบาอาจารย์วะเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์เวลาเจ็บใครได้ป่วยกันเนีศรีนครินเนี่ยรองรับเตี้ยนครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อว่านี่แหะ เป็นบุญเป็นกุศลวันนักขันนัสธา ญ, ญาณโฉมลูกหลานทุกคนเนะี่ยปลูกฝังฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อก่อนที่จะนอาไปใช้ก็คิดว่าให้ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่างั้นเถะให้เกิดประโยชน์ต่อวัดวาศ า, าสนาต่อชุมชนต่อประเทศชาติบ้านเมืองขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายให้ได้บุญได้กุศลมากๆทกทวนหน้ากันอรภรณ์นาฏจีเน้า ยถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวายโตทินนางเปตานางอุปกาปติอิชิตังปะติังตุมหังคิดเปเมวะสมิชาตุสเพปูเร